อาต่อไปก็จะศึกษาคำสอนกันเนาะเอิญได้ครั้งนี้ก็ศึกษาในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายมูลพันนาในสติปัฏฐานสูตรในสติปัฏฐานสูตรนั้นทั้งอุเทศทั้งกายานุปัสนาสติปัฏฐานจบไปแล้วตอนนี้มาขึ้นในเรื่องของเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะว่า ในกรรมฐานโดยเฉพาะในเวทนานุปัสนาเนี่ยในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะที่ว่าโดยในด้านของเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเนาะว่าในการศึกษาสติปัฏฐานเนี่ยในส่วนของกายานุปัสนานั้นในเรื่องของรูปขันเวทนานุปัสนาเรื่องของเวทนาขัน แล้วก็จิตานุปัสสนาสติปัฏฐานในเรื่องของวิญญาณะขันธ์แล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นในเรื่องของสัญญาและภสังขาระขันธ์สรุปก็คือเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวในเรื่องของขัน5้ตรงนี้ก็ไปเข้าหลักในคำสอนที่ท่านบอกว่าถ้าไปเจอในพระสูตรหลายๆสูตรโดยเฉพาะใน สูตรแรกของมัชชิมะิกายเนี่ยมูลปนาตเนี่ยในสติปฐานสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่สิบใช่ไหมก็แสดงเห็นชัดว่าในในมูลปรนาตุมีร้อยห้าสิบสองสูตรในร้อยห้าสิบสองสูตรเนี่ ย, ย, ย, เ, ยเรามาเรียนสูตรที่สิบคือสติปฐานสูตรในสติปฐานสูตรในสติปทานสูตรเป็นสูตรที่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไหม ในสูตรแรกนั้นคือมูลปริย า, าสูตรทําไมเวลาเรามาศึกษาสติปติฐานสูตรเนี่ยเป็นการศึกษาสูตรตรงกลางฉะนั้นเวลาพูดเวลาสาธยายหรือเวลาขยายความอะไรทั้งหลายก็จะต้องมีการวิ่งไปวิ่งมาก็อยู่ย้อมหวานก็จะใช่ไหมบาองทีก็ท่านอาจารย์ให้ต้องวิ่งกลับไปหาสูตรเดิมๆ ม, มาแล้วก็มาวิ่งมาตรงกลางอยู่เนี้ยเพราะอะไรอย่างเราท่านทั้งหลายจะเรียนมาตามลําดับมันก็ไม่ทันแล้ว อายุที่เหลือนะ่ยมันไม่ทันกันแล้วพี่จะมาจสรุปให้ฟังตรงเนี้ยเพราะอายุที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันไม่พอแต่เราจะเรียนแบบไหนให้เกิดความเข้าใจแล้วให้ชัดเจนแล้วจะเอาไปใช้ได้อะจะได้เรียบรีบขัดเกลาใช่ไหมอย่างเราทั้งหลายก็พยายามได้ข่าวว่าเออมีการเรียนกันอภิธรรมกันเนะี่ยมากรชื่นใจที่ทําให้ชื่นใจนะทำว่าเออทําให้เบาใจใช่ไหม เวลามาฟังพระไตรปิฎกเนี่ยในด้านของพระสุตตันตปิฎกเนี่ยจะมีการไปนั่งท่องจิตเจดสิกรูปนิพพานกันขึ้นมาหน่อยมันก็ทําให้เกิดความผู้บรรยายเนี่ยเริ่มเบาใจเยอะแล้วเราก็เริ่มรู้จักอะไรเป็นอะไรเนี่ยเวลามาศึกษาตรงนี้ก็ชัดขึ้นฉะนั้นช่วยกันระดมความเพียรให้มากอย่าท้อไปบอกกันมาเพื่อจะได้เป็นปัจจัยในการที่จะได้เข้าใจพระไตรปิฎกและเข้าใจคําสอนพระเจ้ายิ่งขึ้นไป แล้ว ก, เก็เราศึกษาคําสอนเราเพื่ออะไรเราต้องการขัดเกลากันยริงๆเนี่ยว่าต้องการที่จะบ่มเพราะอัจฉริยะใสเบอร์เบนปัจจัยเกี่ยวกับพ้นทุก ข, ข, ข, ข์เขาว่ากันไปเนี่ยทีนี้พอมาดูบอกว่ากายานุปัสนาเป็นรูปขันเวทนานุปัสนาเป็นเวทนาขันจิตานุปัสนาเป็นวิญญาณขันธรร ม, มานุปัสนาเป็นสัญญาขันและสังขารขันสรุปแล้วก็คือว่าท่านสอนให้วิจัยขันห้า อาทำไมจึงบอกว่าเป็นการสอนให้วิจัยขัน5้าก็ต้องไปดูใช่ไหมเมื่อเช้าอาจมาก็พูดในเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของปุถุชนเนี่ยอย่างเราท่านทั้งหลายต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นปุถุชนอยู่ใช่ไหมถ้าใครบอกว่าไม่ใช่ปุถุชนเนี่ยก็ก็พูดผิดแล้วท่านในอย่างฐานะอย่างเราท่านทั้งหลายต้องบอกเป็นปุถุชนใช่ไหมท่านบอกว่าปุถุชนเนี่ยปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกับปุถุชนที่ได้สดับมันก็ต่าง ก, กันใช่ไหม บาลีท่านใช้คําว่าอสุตวาปุตชโนได้แก่ปุุชนนั้นบุคคลเพิ่งกล่าวว่าไม่ได้สดับถามว่าที่ปุุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่มีการศึกษาและก็ไม่ได้มีการบรรลุถ้าตามศัพท์ในพระไตรปิฎกโดยทั่วๆไปท่านจะใช้คําว่าไม่มีอาคมแล้วก็ไม่มีอาทิคมไม่มีอาคมก็แปลว่าไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่ได้เรียนเนี่ย เรียนในที่นั้นก็คือไม่ได้ฟังนั่นเองไม่มีสุดตรในคําสอนของพระเจ้าแล้วก็ไม่มีอธิคมก็คือไม่ได้มีการบรรลุโสดาปันิมรักษโสดาปันิผลสกัดาคารมักสกัดาคารมีผลจนถึงอรหัตมรัคและอรหัตผลเป็นต้นนั่นก็เรียบปุรุชนที่ไม่มีการศึกษาพอไม่ได้ศึกษาเนี่ยไม่ได้ศึกษาเราเรียนก็ไม่มีการบรรลุใช่ไหมถ้าถามปุรุชนที่ไม่มีการศึกษาพุทธวจนะเป็นต้นเพราะการศึกษาพุทธวจนะเนี่ย จะได้เป็นเครื่องปฏิเสธอัตานุทิฏฐิหรือถ่ายถอนอัตานุทิฏฐิและถ่ายถอนสักยทิฏฐิถ้าถ่ายถอนอยังไงเพราะเว้นจากการปุถุชนเนี่ยเขเว้นจากการเรียนเว้นจากการสอบถามเว้นจากการวินิจฉัยในขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะปฏิจจสุบัทปฏิสูบตับติเป็นต้นและไม่มีการบรรลุเนี่ยก็เรียกปุถุชนแท้เพราะไม่มีการบรรลุ ที่ควรบรรลุด้วยข้อปฏิบัติอันบุคคลรู้ว่าไม่ได้สุดับเพราะไม่มีการศึกษาและไม่ได้ไม่มีการบรรลุทีนี้อย่างเราทั้งหลายเนี่ยนะถามว่าเราศึกษาอะไรตอนเนี้เราศึกษาสติปัฏฐานใช่ไหมเพอะศึกษาสติปัฏฐานก็คือมาศึกษาในเรื่องของรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันศึกษ า, า, ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณเนี่ยแปลว่าศึกษาแบบไหนหนึ่งเรียน เพจริงอยู่คําว่าสดับได้แก่การศึกษาพุทธวจนะและ ก, การบรรลุด้วยโวหารของสุตตะเป็นเหตุอย่างเราเนี่ยมีสุตตะเป็นเหตุมันถึงจะบรรลุได้ไม่ใช่อยู่ๆไม่มีสุตตะไม่มีการศึกษาพุทธวจนะกล่าวคือคําสอนของพระเจ้าแล้วอยู่ๆมันบรรลุเองเนี่ยมันไม่ใช่ทีนี้การศึกษาพุทธวจนะกล่าวคือคําสอนของพระบรมศาสดานี่นะที่เราศึกษากันแล้วก็เรียนเนี่ย เขาเรียนแบบไหนถ้าเราฟังนะเราเรียนเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยถึงเวลาเรียนก็เนื่อยๆกันไปเงี้ยแล้วไม่มีการวิจัยขันาธาตุอายตนสจจะสจ้าอินทร์ปฏิจักอย่างนั้นเขาเรียกไม่มีสุดตเขา้าใจใช่ยกตัวอย่างเช่นเวลาพระท่านพูดเรื่องกายานุปัสสนาก็กายานุปัสสนา แต่ไม่สามารถเจถาะทะลุลงไปได้เลยว่ากายานุปัสนาเนี่ยมีความเพียรมีสมัมปชัญญะมีสติเนี่นะเอออันนี้เป็นมากรกษัตร์นะกายานุปัสนาเป็นทุกสัตร์นะเข้าใจใช่ไหมตัวกายเป็นทุกษัตร์ทีนี้อภิชาและโทมนัทเป็นสมุทัยสัจจามากรกษัตร์นี้เป็นปฏิปทาถึงนิโรธาสัจจ์ถ้าวิจัยจนถึงอริยสัจอย่างนี้เขาเรียกว่าเรียนเขาเรียกว่าฟังนี่ให้สุตะมีถ้าไม่วิจัยอย่างนี้เขาเรียกคนไม่มีสุตตะ ก็เป็นปุรุชนที่ไม่ได้สดับเข้าใจยั ง, อยงพอปุรุชนที่ไม่ได้สดับก็เลยไม่ได้ไปวิจัยเพื่อที่จะไม่มีการวิจัยไม่มีการไข้ควรในที่สุดจริงๆก็เลยไม่เป็นไปเพื่อการเจรละเขาเรียกว่าบุรุชนที่ไม่มีการศึกษาที่เป็นเครื่องปฏิเสธอาตานย์วิ ธ, ธิถามว่าถ้าเราไม่วิจัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในสุดเราก็ไปเห็นอะไรเห็นรูปเป็นเป็นเรา ใช่ไม่ใช่เห็นรูปเป็นเราก็เลยว่ารูปกับเราเนี่ยอันเดียวกันเลยแยกกันไม่ออกเลยผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อนในกระดูกคือเราคนละก็คืออัตตาคือตัวเราเท่านั้เวทน า, นาสัญญาสังขารนิยามก็คือเราเขาเรียกว่าไม่ได้ปฏิเสธอัตตานุทิ ถ, ถ, ถ, ถ, ถิไม่ได้ปฏิเสธอัตตทิฐิไม่ได้ปฏิเสธสักกายทิฐิเพราะคําว่าสักกายเนี่ยเป็นชื่อของขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารมิญาณถ้าสักกายคำว่าทิฏฐีเนี่ยเห็นไหมมันมีสองคำใช่ไหมถ้าเราไปเจอในพระไตรปิฎกเราจะเรียกว่าจะไปเจอคําว่าสักยะสักยะในมูลปริยายสูตรเนี่ยในเล่มที่สิบเจ็ดในในฉบับมหามกุลเนี่ยท่านจะใช้คําว่าสักยะทิฏฐินั้นผิดสาบมันตเลิดนั้นต้องตัดออกถ้า้จริงสา์นั้นก็ไมเรียกว่าสักยะเพราะเป็นชื่อของขัง แต่ถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีเลยเราก็งงเลยเอสักกยะกับทิฏฐิมันต่างกันยังไงสักกยะเป็นชื่อของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ทิฏฐิเป็นชื่อของทิฏฐิเจสิกถ้าเราเรียนอวิธรรมของทิฏฐิเจสิกก็ได้แก่มิจฉาทิฏฐิถ้าเอาสองคำเนี่ยมาเชื่อมกันมารวมกันเขาเรียกว่าสักกยะทิฏฐิก็แปลว่าความเห็ผิดในขันหะ เ, เห็นผิดยังไงเห็นผิดว่ารูปเป็นเราไงใช่ไหม ควาเห็นผิดคือว่ารูปเป็นเราเนี่ยเขาเรียกเห็นผิดถามว่าเห็นผิดในขันห้าเนี่ยเห็นผิดกี่อย่างครับเห็นเห็นผิดกี่อย่างปุถุชนที่ไม่ได้สดับใช่ไหมก็ย่อมสำคัญผิดว่ารูปปุถุชนเนี่ยเห็นรูปโดยความเป็นตนอย่างไรอย่างหนึ่งใช่ไหมเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นรูปโดยความเป็นเราอ่ะนั่นข้อแรกประการที่สองก็คือเห็นตนว่ามีรูปแล้วก็ เห็นรูปในตนแล้วก็เห็นตนอยู่ในรูปอย่างเงี้ยสรุปแรกในรูปขันก็สี่ใช่ไหมในเวทนาขันก็สี่ในสัญญาขันก็สี่ในสังขารขันก็สี่ในวิญญาณขันก็สี่สี่ห้าเลยกลายเป็นยี่สิบใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสักากายทิฏฐิที่มีวัตถุยี่สิบแต่อย่างเราท่านทั้งหลายก็บางทีก็ไม่ค่อยเกิดละเอียดแบบนั้นหรอก แต่ที่ชัดๆถามบอกว่าเรามีความสําคัญอัตตาทิฐิของเราแน่นไหมแน่นหนาไหมเราสําคัญว่าผมคนและฟันหนังเนื้ออื่นกระดูกเยอะในกระดูกเป็นต้นเหล่านี้ยเป็นเราหมดไหมเป็นตัวเป็นตนหมดเลยไหมเราเห็นความรู้สึกสุขและทุกข์เนี่ยเป็นตัวเราไหมเป็นตัวเป็นตนหมดไหมเราเห็นสัญญาคือความจําต่างๆจําสีต่างๆเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นเป็นเราจําหมดเลยไหมแล้วก็ ความรู้สึกที่เป็นบุญและเป็นบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราสําคัญว่าเป็นเราหมดนะและแม้กระการรู้อารมณ์ต่างๆที่อยู่ในหัวใจเลยสรุปแล้วนั่นคือความสําคัญผิดในการห้า น, นี่เขาเรียกอัตตาทิฏฐิถามเมื่อมีอัตตาทิฏฐิเนี่ยมีอัตตาแล้วเนี่ยอัตนิยะตามมาไหมมีของของเราไหมเดีเยวนี้ต่อมาก็จะมีของของเราเต็ไมไปหมดนี่ยลักษณะอย่างนี้การเรียนเพื่ออะไรเพื่อจะปฏิเสธ เพราะสิ่งนี้มันไม่มีอยู่จริงไงแต่มิจฉาทิฏฐิไปยึดในสิ่งที่ไม่จริงว่าจริงแต่การเรียนการศึกษาพุทธวจะนะการวิจัยขนันธ์ธาตุในเจตนาสจายีนีปฏิจจะหรือมาวิจัยสติปัฏฐานเวต้นเหล่าเนี้ยเพื่อจะเข้าใจความจริงจะได้ปฏิเสธว่าอัตตานุทิฏฐินั้นไม่มันไม่มีอยู่จริงความสําคัญผิดแต่ที่จริงเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเองที่มันไปจําผิดใช่ไหม แม้แต่เราเรียนพราธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในขณะที่เรียนอยู่เนี่ยถามว่าโดยมากในขณะที่เราเรียนนะพอเกิดความเข้าใจขึ้นมาเอาพอฟังคําว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็เริ่มแย่แย่พอสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้ปุ๊บพอสติสัมปชัญญะดับไปมัใครเป็นผู้เข้าใจใครเข้าใจเห็นไหมเราจะเข้าใจแทนทีเลย มันเป็นอย่างเงี้ยยอดสมาธเห็นใช่ไหมเนี่ยมันจะบอกว่าเออเราเป็นผู้เข้าใจแล้วก็จะยินดีในความเข้าใจแต่ดีตอนนั้นอะไรก็ามาปิดอีกมิจฉาทิฏฐิก็ามาปิดอีกฮะปัญญาไงเข้าไปแทงตลอดสติไงตามระลึกความเพียรในการที่จะละนั่นเป็นวิริยะเนาะแท้ที่จริงก็คือสภาวะธรรมเหล่านี้มันได้ปัจจัยจากการฟัง มันอาศัยปรตโตโคลสาก็คือพระธรรมของพระบรมศาสดาเนี่ยก็ได้เหตุได้ปัจจัยเข้าไปเข้าใจทุกครั้งเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้ก็สามารถปิดมิจฉาทิฏฐิได้การมิจฉาทิฏฐิได้เพียงพยายามเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิได้สติตามเลิกเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมาธิิใช้สมาธิิแวดล้อมสมาธิใช้กว่าและก็สมาวิมารสมาสติก็ไปแวดล้อมสมาธิิขยายสมาธิิให้กว้างไกลมากขึ้นอันนั้นก็เรียกว่า ฟังทำแล้วเดินสมาธิ4เป็นถามว่าใครสักกี่คนาจะเดินได้อย่างเนี้ยถ้าเดินได้อย่างนี้แปลว่าเขาเข้าใจแล้วเราเดินกันแบบนี้ไหมในชีวิตจริงๆเดินแบบนี้ไหมถ้ายังเดินไม่ได้ก็เพียรพยายามที่ต้องเดินให้ได้เข้าถึงให้ได้ใช่ไหมยากไหมแบบเนี้ยยากไหมไม่ยากยแบบากากล้วใช่ไหมแล้วมั่นใจไหมจะเดินสมาธิได้ทุกอารมณ์อ่ะนี่วันรอดเลยไม่มั่นใจใช่ไหมต้องเดินได้เพราะจริงๆ เราก็สังเกตดูที่ว่าอารมณ์ใดที่ยังไม่ผ่านการวิจัยลงอริยสัจอารมณ์นั้นแปลว่าสมาธิที่ยังไม่คล่องแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะเดินทําสมาธิที่ให้คล่องแคล่วในทุกๆอารมณ์ให้ได้ถามว่าเป็นเป็นเรื่องจําเป็นต้องทํามไม่ใช่ถ้าสมาธิที่ไม่เดินอย่าลืมนะว่ามิจฉาทิฏฐิมีคติสองอะสัตย์เดะชะฉันกษัตริย์นรกอะเอาสิหรือจะยอมเป็นมันเหมือนไฟไฟก็ไหมมา ไฟก็ไหมมาตลอดใช่ไหมลูกกรามมาตลอดเป็นไปตามลําดับเนี่ยแต่เราก็นั่งให้รอให้ไฟมาไหมเนี่ยถามว่าเป็นความฉลาดไหยไม่เลยเป็นความฉลาดเลยนะเป็นความโมง่เขาอย่างยิ่งด้วยนะใช่ไหมใช่เขาบอกไฟไหมมาแล้วช่างเก็ไม่อยากเดินดแล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมมันต้องเร่งรีบเลยนะว่าจริงๆตอนนี้ไฟมันไหมมาแล้วมันไหมมาตลอดเวลาเลยแล้วแล้วมันถึงตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันต้องลุก มันต้องแพ้ควรแล้วฉะนั้นการเดินสมาธิฐจึงเป็นเรื่องจําเป็นตรงเนี้ยเพราะทัง้งหมดปุดตรตองเนี้ยมันจะไปเข้าในกาลการณีที่เราไปศึกษากันอยู่เนี้ยถามว่าเรียนกายานุปัสสนาเวทนาจิตตาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาการวิจัยขันห้าเพื่อจะอยังลงสวริยศว์เนี่ยถ้าเรายัางลงไม่ได้แปลว่าอะไรก็แปลว่าสมาธิฐิีไม่เดินเพราะถามว่าปัญญาเนี่ยสมาธิฐิีเนี้ยมันจะเห็นชัดตรงไหน เป็นชาติในอริยสัจสมาวาิามารก็ไปตรต้องดูที่สมมติฐานใช่ไหมสมาสติต้องดูในสติปฐานอยากจะรู้ว่าตอนเนีสส้สติของเราบริบูรณ์หรือสติของเราทํากิจของเขาไหมก็ต้องไประลึกมันระลึกไหมละ่ะตอนนี้ถ้าเราเรียนเวทนานุปสนาถามว่าไประลึกเวทนาได้จริงรึเปล่าไปวิจัยเวทนาถามว่าวเวทนานี่เป็นสัจจะอะไรบอกเป็นทุกขศาสตร์ใช่ไรไปวิจัยใช้ปัญญา ปัญญาอย่างนั้นเขาเรียกอะไรเขาเรียกสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่ไปวิจัยเวทนาเขาเรียกวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเอาวิจัยทําไมเอาจะได้ปฏิเสธอัตตานุทิฏฐิคือความเป็นสำคัญวเวทนาเป็นเราไงมันจะได้ถอนอัตตาตัวนั้นออกได้สําคัญวสุขเวทนาคือเราเป็นผู้สวยความสุขนั้นน่ะไอสุขเวทนาก็ดีทุกเวทนาก็ดี ท, ท, ดที่เฉยเฉยก็ดีมันไม่มีใครแล้วก็เรานี่เลยเป็นผู้สวยสุขเวทนาทุกแล้วก็อเบียขาวเวทนานั้น ไอความสําคัญผิดตัวเนี้ยมันจะได้ไปถอนใช้ลายถอนใช้สมาธิถีก็ไปวิจัยใช้ความเพียรในการที่จะละความผิดผิดในเวทนานั้นก็จะเข้าถึงสมาธิถิสติก็ตามลึกเพื่อจะละความผิดผิดในเวทนาเพื่อเข้าถึงสมาธิถิก็ใช้สมาธิถิสมมาวยามารสมาสติแวดล้อมสมาธิิแล้วก็ทําสมาธิิใ <Hammer> ห้มีความเข้าใจในเวทนาสเวทนาหเวทนาหเวทนา18 เวทนาสามสิบหกแล้วก็เวทนาร้อยแปดเข้าใจยังทั้งเวทนาภายในภายนอกเวทนาที่หยาบละเอียดเร็วปราณีไกลและใกล้ได้นี่มันก็แสดงว่าเขาเจาะทะลุทะลวงเข้าไปได้แล้วนี่กแสดงให้เห็นชัดว่าสมาทิฏฐิเนี่ยเริ่มเข้มข้นและเป็นวิปัสสนาสมาธิฐิแต่ตอนเนี้มันประชมสมาธิฏฐิลงในสู่กระแสขันไม่ได้เพราะอะไรเพราะไอ้รกชรัดคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเต็มไปหมดจรงไม่ยมม า, ยย ม, ามันเต็มไปหมด มันถอนไม่ได้มันมันดึงออกไม่ได้มันเหมือนว่ายองสมานอยู่ตามท้องไรท้องนาก็เห็นหรือว่เห็นคนเขาทาไร่ทานามีไหมคนที่เขาจะปลูกข้าวกล้าเนี่ยในขณะที่หญ้าเต็มไปหมดเนี่ยมันมีไหมละ่ะเขาต้องกําจัดวัชพืชและหญ้าออกก่อนใช่ไหมอันนี้เหมือนกันเราจะย่างอะไรเราจะประชมอริยมะลงสู่กระแสขันาธาตุอายตนาเนี่ย มันจะดึงลงยังไงตอนเนี้ยก็มันรบชัดคือทิฏฐิเขียวคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิใช่ไหมไอต่อเอื้อเสี้ยนหนามคือทิฏฐิไอลบชัดคือทิฏฐิมันเต็มไปได้วยป่ามันเต็มไปได้วยภูเขามันเต็มไปได้วยสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายในขันของเราท่านทั้งหลายเราไม่เคยเราไม่เคยชําระเลยอะไรเป็นตัวชําระสมาธิที่เป็นวิปัสสนาสมาธิิเป็นตัวไปจัดมันเหมือนใช้มีด ใช้ปังตอใช้มีดต่างๆหเหล่านี้นะใช้ของมีคมทั้งหลายไปกาจัดวัชพืชจะมันเป็นโทษในานานั้นออกก่อนก่อนที่จะเอาข้าวไปปลูกใช่ไหมอันนี้เหมือนกันตอนเนี้ยโลกุตรละรมอย่างลงได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยมันเต็มไปด้วยตัณหาเต็มไปด้วยทิฏฐิเอตังมะมะนั่นของเราเนี่ยมีตัณหาเป็นมูลเอโศเมโอเอโศหามัสมิเนี่ยเราเป็นนั่นเนี่ยอันนั้นมันมีมาหน้าเป็นมูลของทิฏฐิ เอโซเมอัตานั่นเป็นอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยทิฏฐิที่มีทิฏฐิที่มีตัณหามานะเป็นต้นเป็นมูลสรุปก็คือว่าตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันมีตัวนุนหลังคือตัณหามีตัวนุนหลังคือมานะมีตัวนุนหลังคือทิฏฐิเป็นต้นไอตัวสําคัญผิดตรงนี้อะมันไม่ได้ถูกถอนในกระแสไม่ได้ถูกชําระโดยวิปัสนาสมาทิฏฐิที่เป็นปุเรจาริกเป็นวิปัสนาปุเรจาริของมรรค ตอนนี้ทํายังไงก็ประชุมสิขาสามที่เป็นโลกุตระโลสูกระแสขันไม่ได้ใช่ไม่ใช่เราจะเอาลงยังไงอ่ะนั่นมันความเห็นผิดมันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยมันลงไม่ได้หรอกมันลงไม่ได้ก็เหมือนข้าวกล้าหรือวัชพืชทั้งหลายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถที่จะย่างลงได้ไม่สามารถเอาข้าวไปปลูกในนาได้เลยเพราะในนา ม, มันรกเต็มไปหมดเลย ใช่ไมใช่แต่ถ้าต้องการอยากจะให้นานั้นมันปลูกข้าวได้ก็ต้องจํากัดขจัดไอ้ น, นี่ไอ้วัชพืชทั้งหลายที่มันเป็นโทษแกนานั้นถ้าถามตอนนี้ความเห็นถูกไหมถ้าความเห็นมันผิดอยู่มันต้องถอนความเห็นออกวิธีถอนก็ใช้วิปัสสนาสมาธินี่แหละถอนเบื้องต้นเนี่ยใช่ไหมใช่ก็แปลตรงเนี้ยถามว่า รูปเนี่ยเราเห็นเป็นเราอยู่ไหมเวทนาเห็นเวทนาเป็นเราเห็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราถ้าเห็นเป็นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี้ยในกระดูกม้ามใจตไตัตเป็นต้นเนี่ยเป็นเราเป็นของของเราเบ็ดเสร็จแปลว่าความเห็นนั้นมันเต็มไปด้วยมันรบกุงลังไปด้วยมิจฉาทิฏฐิตรงนี้ต้องขจัดความเห็นตรงเนี้ยไปเรื่อยๆขจัดไปเรื่อยๆจนในที่สุดจนความสําคัญมั่นหมายว่าคําว่าเรามันไม่มีอยู่จริง เข้าใจยังเแต่ตอนนี้มันมีอยู่จริงเนี่ยด้วยความสาคัญเนี่ยไม่ต้องพูดถ้าอัตตาของเรามีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรามีแล้วมันจะต้องมีของของเราใช่ไหมถ้าคําว่ามีเราอยู่ในนี้หมดเลยนะความคิดเนี่ยนะไม่ว่าจะสุขทุกข์กับเราเราเนี่ยแหละเป็นผู้สุขทุกข์จาลูกเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเหล่านี้ก็คือเราเป็นผู้จําความจําก็คือเรานี่แหละไม่แยกจากกันนี่แหละแล้วก็การ ทำบุญทำบาปก็เราเป็นผู้ทำเนี่ย แ, แหละไม่ใช่ใครทำหรอกแม้การรู้อารมณ์ทางต่าหูหูกเล่นกายใจก็เราเป็นผู้รู้เนี่ยถ้ามันถอนในความเห็นผิดนี้ออกไม่ได้เขาเรียกว่าอัตตาทิฏฐิมันหนานแน่นเหลือเกินเขาจึงบอกว่าปุรุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยปุรุชนเนี่ยนีที่บอกว่าคําว่าสดับได้แก่การศึกษาพุทธวจนะและการบรรลุได้วงหาหนึ่งสุตตาอันเป็นเหตุเพราะเป็นผลแห่งสุตตาชื่อว่าผู้สดาปแค่เพราะผู้มีสุตตาผู้สดับ ถามว่าถ้าไม่มีสุตตะการสดระก็ไม่มีนะนะที่ว่าผู้ไม่ได้สดับบุคคลผู้ไม่ได้สดับนั้นเป็นปุถุชนด้วยยังกิเลสหนาหเกิดขึ้นเป็นต้นชื่อว่ามีกิเลสหนาเพราะนับเข้าภายในของคนผู้มีกิเลสหนาก็แปลว่าราคาโทสะโมหามานทิฏฐิวิจิกิจชาหีริกานโตตปาอุทะจันเนี่ยก็แปลว่าหนาแท้ๆหนาขนาดไหนหนาขนาดไหนหนาจนสังเกตอย่างนี้ว่าแต่ก่อนอาจารย์เคยอมาเคยสังเกตบอกเคยเคยให้เขาสังเกตว่า เวลาบอกว่าเออจะมีการฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจเป็นยังไงมันรู้สึกชื่นใจอย่างแรงกล้าหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เป็นแบบนั้นไหมมันรู้สึกโอ้ยสิ่งเหล่านี้รอมานานมากในสังสารวัตกว่าเราจะได้รู้พระธรรมของพระบรมศาสดากว่าพระพุทธเจ้าโยบัตดเกิดขึ้นมาเนี่ยอัฏฐะเดี๋ยนี้ปรากฏในใจสว่างโลกเหมือนจุดเพียนร้อยดวงในใจอเคยเป็นอย่างนั้นไหม ถ้ามันเฉยๆอันนี้เป็นอะไรรู้ไหมมิจฉาทิฏฐิเป็นประทัดฐานเลยการไม่ปราถนาจะเห็นพระธรรมของพระริยานี่ไงใช่ไหมเพราะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขาปฏิเสธความจริงอยู่แล้วลักษณะของเขาจิตของเขาก็คือว่ายึดสิ่งที่ไม่จริงว่าจริงน่งไปยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะ ทั้งมันมีจริงไม่ยอดอต่ไปยึดถือใยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเขาไปยึดในสิ่งนี้แล้วก็ไปบัญญัติลงไปว่ามีอยู่จริงที่ผ ม, ผมเราผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยมีอยู่จริงเนี่ยแล้วก็ปฏิเสธความจริงว่าในนั้นเป็ น, น, นปดินน้ำไปลมสีฤทธิ์โอชาธาตุนะเขาปฏิเสธว่าเกิดจะกกรรมจริตอุตวหารเลอไอตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขาปฏิเสธความจริงข้อ น, นี้แต่เขาจะยึดถือสิ่งที่มันไม่จริงแล้วก็สําคัญว่าจริงและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าจะเห็นชัดนะดูตัวประทัด ฐ, ฐานอย่าใกล้ย่อสมช คือเขาไม่ค่อยปราถนาพระธรรมของพระยาหรอกแล้วเบือนหน้าหนีเลยะใจฝืนมากเวลาจะฟังธรรมแต่ละทีเนี่ยต้องใช้แบบเลี้ยวแรงอย่างรุนแรงเลยอะน่นนตัววิชาที่ตีมันแข็งแรงมากมันยาวนานมากในสังสารวาัฏใช่ไหมมันเพียรแล้วเพียรอีกพยายามแล้วพยายามอีกมันก็ไม่ไปมันไม่ไปมองเห็นใช่ไหมฉะนั้นในยุคนี้ยปัจจุบันมันกําลังต่อสู้กันอยู่ระหว่างสมาธิตีวิชาที่ตีเนี่ย ถมิจฉาทิถีมันเกิดขึ้นมานมันจะไม่ปราศสนาที่จะฟังทําเหตุผลเยอะไม่เหตุผลมากมันก็กระซิบบอกตันหาบ้างบอกโทรศัพ์บ้างมันคือมีเรื่องที่จะต้องทําเยอะนี่ปัจจัยในการที่จะไม่ฟังคําสอนพระเจ้าเยอะแยะหมดนั้นนนั้เข้าใจนะว่ามิจฉาทิถีมันกำลังออกมาเพ่งพานในใจเราแล้วมันออกมาแล้ว นั่นแหละคือสัมาทิฏฐิมันจะเดินก็อย่างนั้นแหละทีนี้ปัญหาก็คือว่าปัญญาเนี่ยเวลามันเกิดขึน้นไม่ต้องเพียนเยอะคำว่าไม่ต้องเพียนเยอะแปลว่าเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยนะความเข้าใจนั้นเน่ยยกตัวอย่างเอาเพียนเนี่ยเยาถามเราทั้งหลายว่าคำว่าเพียนเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเพียนเนี่ยโอ้โหเรามันไม่ไหวแล้วเราเต็มที่มันนั่งคุยมาละยอมในรถ ยมว่ถามอาจรมาใ ช, ม ใ, ช ใ, ชมใช่ไหมใช่ใช่ไปมยะก็ถามว่ายมไม่ไหวแล้วยอมก็เต็มที่แล้วอาจมาก็บอกว่าคําว่าเพียนเนี่ยขเขาแปลว่าเพียนที่จะไม่ให้จิตนั้นตกจากกุศลคือเมื่อกุศลเกิดขึ้นมาแล้วก็ดําเนินกุศลนั้นให้เกิดอย่างต่อเนื่องนั่นเขาเรียกว่าเพียรไอ้คุณยอมจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ จะเดินก็ได้จะยืนก็ได้แต่มีข้อแม่นะอย่าให้บาปเกิดในใจเพียนรักษากุศลให้เกิดอย่างต่อเนื่องนั่นแหละเขาเรียกเพียนจะนอนก็ได้ใช่ไหมใช่แต่ทําได้ไหมล่ะทําให้กุศลเกิดน่ะแล้วก็พยายามทําให้กุศลเกิดอย่างต่อเนื่องนั่นแหละเขาเรียกเพียนเพียนอย่างนั้นเพียนยังไงเพียนให้ใจเป็นไปกับกุศลเพื่อจะบรรลุสมาธิสติเพื่อจะเข้าถึงสมาธิสตินั่นแหละเพียนอย่างนั้นเขาเรียกเพียนละบาป ปัญหาคือว่าตอนเนี้ยถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดก็เพียรละมิจฉาทิฏฐิถ้าโทสะเกิดก็เพียรละโทสะถ้าโลภะเกิดก็เพียลรละโลภะอย่างเงี้ยเพื่อจะบรรลุเข้าถึงสมาธิใช่ไหมใช่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยเราก็จะเริ่ม เ, เดินเป็นละทีนี้มันจะเริ่มมองเห็นเออแต่ก่อนเราคิดว่าเดินมากๆากสินอนมากยืนมากๆสิ อันนี้มันจะคนลมิติแล้วไอ้ตรงนั้นคือรูปแบบแต่ถ้าไปยืนแต่บาปมันเกิดเขาเรียกเพี้ยนไหมไม่ใช่แล้วผิดอีกมันเป็นเรื่องการงานทางใจแต่มันต้องอาศัยกายนะี่แหละถูกต้องแล้วใช่ไม่ใช่มันเรื่องความเข้าใจล้วนๆอันมายกตัวอย่างอย่างนี้นะเหมือนพระวินัยของพระเนี่ยเป็นมายกหลายครั้งสมมติอามมาห้ารูปใช่ไหม น, นียกวินัยมาเปรียบเทียบพระสูตรที่นี่นะยอมก็นิมอาตมาก็ยอมก็มาหาเ อ, อันนี้มนพระกุญยาไปฉันก๋ยเตี๋ยวห้าลูกธิบานอย่างนี้นะสมมติอย่างนี้นะถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าอาตมารับไม่ได้แล้วถ้ารับปุ๊บไปฉันเป็นคณะโพชนะเป็นอาบัตทุกองค์ด้วยจะทํำยังไงถ้าอาตมาไม่เข้าใจเนี่ยอาตมาก็ อัมาก็ก็ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยเพราะยอมพูดมาพุ๊บอันมาก็พูดเรื่องอื่นโอยอมเป็นยังไงทําอะไรกันที่บ้านจัดมีงานหรือไงเพราะยอมจะทําบุญแรงรต่างก็ว่าลายไปตามดับสรุปไปเสร็จออตกลงยอมนิมนต์อัมาและคณะไปรับอาหารวิญญาณใช่ไหมหรือไปฉันเช้าใช่ไหมหรือไปฉันเทนใช่ไหมยเงี้ยเพราะอันนี้เป็นคําพูดหลอบคําว่าก๋วยเตี๋ยวไปนนี่ไหมไม่เป็นเลยยอมก็จ้านิมนต์ท่านไป ไปฉันเช้าจบเลยเนี่ยแต่ว่ามารับได้เลยเนี่ยเป็นต้นเห็นไหมว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจหรือยกตัวอย่างเช่นสมมติอาตมาต้องการปลูกต้นไม้อาตมาขุดดินเองไม่ได้เนี่ยถ้าอาตมาบอกว่าเอ้ยยอมช่วยขุดดินหน่อยเนี่ยอาตมาปฏิบัติทันทีใช่ไหมแต่อาตมาใช้คําว่าเออยอมช่วยขุดหลุมไม่น่อยเนี่ยมันก็หลบเขาวินัยได้ทันทีเลยเข้าใจไหมนี่คือความเข้าใจนี่อาตมาต้องการเทียบวินัยเนี่ยมาเทียบกับเพเกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติ ท่า น, นคนไม่รู้คําสอนหรือปฏิบัติในคําสอนอย่างยกตัวอย่างมีพระรูปหนึง่งคือเราเข้าใจเลยว่าท่านถือเออท่านท่านท่านกลัวกลัวรเรื่องการระบุโภชนะเนี่ยท่านวินบาศเสร็จแล้วท่านก็หอเอาอาหารที่วินาศไปฉันทร์เองเพราะท่านกลัวเพราะเนี่ยการศึกษาวินัยเนี่ยการศึกษาวินัยที่ไม่ชํานาญในพระวินัยเนี่ย มันก็ปฏิบัติแล้วติดขัดสําคัญไว้ตัวนี้จะเป็นนอบัตแน่นอนแล้วเดี๋ยวกเกิดยอมระบุอาหารใช่ไหมระบุโภชนาะอย่างนี้เป็นต้นทะนั้นเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการการปฏิบัติในสติปัฏฐานเนี่อธิมาก็วกกลับมาเรื่องเรื่องสูตรในเรื่องสูตรพอในเรื่องสูตรกรณีแห่งความเพียรเนี่ยถามว่ารูปแบบการยืนการเดินการนั่งนานๆนะ่ะใช้ได้ไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าเพียนผิดละ่ะแต่จิตเป็นบาปน่ะเรียกว่าเพี้ยนไหมเขาเรียกมิจฉาวายามะเอาสมมุติอายโยมนี่นั่งอย่างนี้นะนั่งอายโยมก็บาปเกิดตลอดแต่ก็นั่งอยู่เนี้ยเพราะเกงใจคนส่วนมากด้วยไอ้จะลุกไปก็น่าเกลียดแต่อคุณส่เกิดตลอดอย่างนี้ที่ว่าโยมไม่ได้เดินสมาวายามะเลยเขาเดินมิจฉาวายามะเพราะใจมันขุนมัวตลอดน่ะ งุดเงียตลอดแต่นั่งด้วยความเกงอกเกงใจเท่านั้นแหละเกงใจสังคมมองเห็นไหมว่าไม่มีความเพียรเลยในขณะฟังาธรรมมองเห็นไหมแต่เ น, นี้ยเออ ม, มันมันอยู่ที่ความเข้าใจจริงจริงไหมถ้าไม่เข้าใจเนี่ยจะเดินกุศลไม่ได้เลยอ่ะแล้วสําคัญกุศลเป็นอกุศลอกุศลเป็นอกุศลก็มั่วกันอยู่เนี้ยฉะนั้นสิ่งต่างๆในการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนคนเข้าใจ แล้วคนเข้าใจนะก็เดินได้เดินสมาธิถี่ได้ทีนี้สมาธิถี่เนี่ยการเดินใหม่ๆเหมือนติดขัดแต่เชื่อไหมว่าถ้าเดินจนเข้าใจแล้วทุกคนจะรู้สึกปีติปลาโมดมากแล้วมีความสุขในการที่จะเล่นกุศลมากสมมติ ถ, ถ้ามันเป็นอกุศลเกิดขึ้นใช่ไหม ก็อุ้ยก็มาหน้าิกานเนาะจงาตัวอย่างเช่นบาปมันเกิดก็มามน้าสิกานบอกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพุทธาววาทาทคาลวตาธรรมคาลวตาเคารพ ใ, ในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมแล้วก็เออตอนเนี้ยไ้ตอนนี้เราฟังพระธรรมนเนี่ยท่านบอกว่าบุคคลที่ฟังธรรมไปด้วยหลับไปด้วยชื่อว่าไม่เคารพพระธรรมเมืนเน่อไม่เคารพพระธรรมที่ว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าไอ เ, เ, เราทําสิ่งที่ไม่ควรจะแล้วเนอะ พระธรรมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัพพโยติยานมานั้นพระองค์ต้องอาศัยบำเพ็ญบา ร, รมีอย่างยาวไกลอย่างยาวนานแทงตลอดอริยสัยจะธรรมทั้งสี่ได้สําเร็จสัพพโยติยานพระธรรมที่เรากําลังฟังอยู่เนี่ยเป็นพระธรรมที่สัพพโยติยานของพระพุทธเจ้านะั้นเป็นเป็นเป็นเป็นพระธรรมตัวสัพพโยติยานกล่าวคือมหากริยายนนะสัพพโยตสองมณัตนี่ยนะอสังคาริษนี่ ฉะนั้นมหากริยาญาณและสามยุทธ์เนี่ยเป็นปัจจัยในการกล่าวพระธรรมทุกอัฐทุกพญยายนะแล้วบอกโอ้โหพระธรรมนี่เป็นของใหญ่เป็นของสูงแม่พระเจ้ายัางกะระลบรำพระบรมศาสดาเคยยืนฟังธรรมตั้งแต่หกโมงเย็นยันหกโมงเช้าไม่ทรงไหวพระวรากายเลยพระบรมศาสดาเคยยืนไม่กระเพ่งไม่กระพิพภเนศในการพิจารณาพระธรรมเจดวันที่อานิมิสเจดี พระบรมศาสดาเคยนั่งพิจารณาพระธรรมตลอดเจวันหนตลอดสัปดาห์ที่อัชระไอที่รัตนบัลลังก์เป็นต้นพระบรมศาสดาพิจารณาที่รัตนคลาเจดีย์อยู่เจ็วันนั่นก็คือพิจารณาพระธรรมพระองค์พิจารณาด้วยใจที่เป็นกุศลตลอดนะได้เป็นไปกับกิริยาได้เป็นไปด้วยความนอบนอ้อมด้วยความเคารพโอ้โหเราทําไมไม่เคารพพระธรรมมันสูงส่งขนาดนี้พอพิจารณ า, างี้ใจมันจะคลายไหม ใจก็จะคลายออกจากทีน้ำมิทะออกจากความฟุ้งซ่านแล้วก็จะน้อมในการฟังธรรมโดยความเคารเพราะการฟังธรรมโดยความเคารพเนี่ยเป็นปัจจัยในการแทงตลอดใช่ไหมฉลอยว่าในสังสารวัตที่ผ่านมาเราคงจะผิดพลาดในการฟังเราไม่น้อมในการที่จะฟังธรรมเราไม่เราไม่ปีติสมานั้นในการฟังอย่างนี้นะ่แล้วให้พิจารณาดูนะว่าเหมือนเมื่อเช้ามาก็พูดเรื่องอะไรตอนชาติมาบรรยายธรรมอานมาก็บรรยายคําว่าท่านวิสาขะ ท่านวิสาขะ ท, ท, ที่ที่อาจารมาเคยกล่าวหลายครั้งบอกว่าท่านวิสาขะเนี่ยท่านเป็นปโปรยิปของพระเจ้าพิมพิสารตอนที่พระบรมาศา ส, ศสดาสแสดงธรรมธรรมาจากให้เป็นไปที่ปลายสิบปัตนนภิกษยวันเป็นต้นแล้วต่อมาพระองค์ก็ประกาศธรรมจักรให้เป็นไปนะ่ไหมกงร้อยอย่างธรรมจักก็หมุนไปสู่กระแสใจของสัตว์ทั้งหลายตลอดกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยจนมาตามลําดับจน โบเทศสอนเฉดินสาพี่น้องพร้อมได้บริวา 1,000 ัน 1, แล้วก็ได้บรรลุแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดพระเจ้าเป็วิสาพร้อมได้บริวารเท่าไหร่สิบหน้าหุ่ก็คือนั่นแหละทั้งหมดก็คือ 120,000 หมื่นแสนสองในแสนสองนั้นหนึ่งหมื่น 1, 000, 000, ก็ประกาศตนเป็นอุบาสก อ, อุบาสิกาถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตแต่ใน11 0 0 0็ืได้เป็นพระโสดาบานัน1ในจํานวน11 0 0 0็ื่นที่เป็นพระโสดาบันนั้นคือท่านวิสาขาให้ท่านวิสาขาฟังทำแล้วได้บรรลุ แล้วต่อมาท่านวิสาขาก็ไปฟังครั้งที่สองอีกแล้วได้เป็นพระสกาทาคาแล้วต่อมาก็ไปฟังครั้งที่สามอีกได้เป็นรูปเป็นท่านาคาอัธยาศาัยของท่านก็เริ่มขัดเกลามากขึ้นมากขึ้นบพเป็นบ้านนาคาท่านก็มีอากัปกิริยาสํารวมระวังอย่างกับเพาะอาหารหรือใช่ไหมเพราะคนเป็นบ้านนาคานี่กมรมกามราคาราดเด็ดขาดไดอยังเด็ดขาดได้ยังปฏิฆาเด็ดขาดได้ยังฉะนั้น สัมรวมอินทรีย์ชัดหมดเลยฉะนั้นเวลาท่านกลับมาเบสิสนี่บ่งบอกให้เห็นว่าไงนี่การฟังธรรมแล้วได้บรรลุทําไมท่านฟังแล้วได้บรรลุเพราะท่านเขาลบธรรมใช่ไหมนี่ไงคือการปฏิบททัติธรรมยกในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการฟังธรรมไปสําคัญว่าฟังธรรมก็คือฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบททัติธรรมไปแยกออกจากกาันท้ยุ่งไหมยอม่ายุ่งไหมเลย ย, ยุ่งจนทุกวันเนี่ย เลยไม่ฟังทำด้วยการจิตจดจ่อไปกับพระธรรมเทศนาพระธรรมคาสอนนะั้นอันมาพูดหลายครั้งว่าเดินพระธรรมไม่ได้เดี๋ยวนี้สมมติถาอาจมาจะเดินเป็นสูตรไปเลยนะัย้นไล่ไปตามลําดับป๊ปปปไปตามลําดับนี่นะมันมีปัญหามากเลยฉะนั้นก็ต้องพยายามเดินต่างๆแล้วก็ยกสูตรนั้นสูตรนี้มาเทียบเคียงเพื่อเราท่านทั้งหลายนั้นได้รู้สึกว่าเออมันจะได้เข้าใจก่อนใช่ไหมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะพวกเราเข้าใจฐานของคําสอนได้ชัดเจนหมดแล้วนะ สาถ้ายายสูตรเนี่ยเราเข้าใจกั น, นแจ่มแจ้งเลเช่นสติปัฏฐานเนี่ยเราจะเดินสติปัฏฐานล้วนๆไม่ได้เลยยุคนี้ถึมแม้จะเดินย่อเนี่ยอันนี้ย่อเนี่ที่เรามาเรียนกันเนี่ยถ้าจะเดินแบบให้เป็นไปตามลำดับนี่นะไล่ตามลำดับเอวเมย์ตัวงเอียงตังเอียงตามลำดับนี่เนะียไม่ทันจบสูตรหนึ่งทนฟังไม่ไหวสองหลับมันทนไม่ไหวจริงๆมันไม่เหมาะกับคนยุคเนี้อมันไม่ค่อยเหมาะกับคนยุคนี้เท่าไหร่หรอกถ้าถ้าพูดกันให้ตรงๆเนี่ยแปลว่าอะไรถูกไหม ตอนนี้นะในสวรรค์หกชั้นผ้าอิยะก็อยู่เต็มหมดนะที่สวรรค์หกชั้นนะ่ะในชาติเคือคือว่ามืนจักรวาลที่มาฟังธรรมพระเจ้าอ่ะในยุคนั้นนะ่ะผ้าอิยะเตาม็มไปหมดนั้นศาสนานี่จเจริญรุ่งเรืองมากในมนุษย์โลกนี้เท่านั้นแหละที่มันทำดีทำท่าจะรีบรีบรีบเนี่ยเพราะว่ามาระยะหลังเราเดินเราเข้าใจว่าทำกันอ่อนแอมาก ต้องใช้ว่าอ่อนแอมากๆด้วยความมุ่งมั่นในการศึกษาพระธรรมของคนในยุคนี้อ่อนแอไหมโยนหลอนม่อ่อนแอไหมมากอ่อนแออย่างมากคือเราจะตั้งหลักในการฟังธรรมได้ไม่ถึงสามสิบนาทีอ่ะพอเลยสามสิบนาทีไปเราจะล้ากันเป็นแถวเป็นแถ ว, วหมดเลยประหลาดไหมละ่ะเอาเอานี้ถ้าเราไปนั่งดูละครเนี่ยสองชั่วโมงดูได้อยังสบายสบายไหมสามชั่วโมงยังได้ก็มีการแข่งขันกันดูข่าวไปโยนเป็นวันเป็นคืนไม่หลับไม่นอน แปลกมากเขาก็ดูกันได้อย่างใจจ่อใจจ่อเนี่ยนะฉะนั้นแต่ว่าสัตว์ในยุคปัจจุบันเนี้ยสัตว์โลกเนะี่ยเป็นเป็นผู้หนักในกวามคุณมากแต่ถในเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไหวแล้วเขาบอกเมื่อเช้ามาคุยกับยมท่านหนึ่งคุยพอคุยได้ไปถึงห้านาทียอมบอกว่าขอลากลับแล้วถามทำไมแคบอกถ้าคุยกับท่านไปนานๆแล้วจะรับไหมนะคือรับความจริงไม่หม เราเป็นนักปู่จริงๆเราเข้าใจเนาะเหมือนบางบางคําเนี่ยบางคําของพระเจ้าบางคําของพระรยาเนี่ยเอามาพูดตรงนี้ไม่ได้เพราพูดแล้วทุกคนรับไม่ได้เดินนี้เลยเข้าใจใช่ไหมแต่อย่างพวกเราเนี่ยรับได้แต่ถ้าหลายๆคนที่ไม่ได้ศึกษาคําสอนแบบเจาะลึกลงไปจริงๆเนี่ยฟังคําของพระรยาไม่ได้มันบาดใจเขามันเฉื่อเฉือนจิตใจเขามากเอาลองลองดูสักคำไหย ไม่อยอมไปพูดเดีวยวถพูดจะมื่อจะเม่อมองจะไมพูดจ้าพูดแรงกั น, นานัะนคือบางคําที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือกล่าวเนี่ยเราจะรู้เลยวโอ้โหคนละมุมกับเราเลยใช่ไหมคนละมุมกับเราเลยเพราะบางครั้งเนี่ยนะบางครั้งที่เราอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเห็นคนตกทุกข์ไดย้ยากใช่ไหมแล้วเราโอ้ยก็เอาแล้วน้ําท่วมไฟไหม้รีบไ ป, ไปกันเลยกุรียกุจอไปช่วย ใช่ไหมเขาไปให้คนตกทุกได้ยากนําสิ่งของนําอะไรไปแจกไปต่างๆบางสูตรบางแห่งบางที่พุทธเจ้าว่าเป็นการให้แบบโง่ๆเนี่ยสมมุติรอบไหวไหมวะเป็นการให้แบบโง่ๆอ้าวทำไมยังให้แบบโง่ๆไม่ได้ช่วยอะไรให้เขาพ้นจากวตฏอะไรเลยกลับไปช่วยเขาจมอยู่ในวตฏะท่านยอนมจะมาเนี่ยใช่ไหม ก็ไปเที่ยวหมักหมมไม่เข้าได้กินได้อิ่มก็เกิดราคาโทวสามวมาะ ก, ก็ไปช่วยแบบโง่งๆทั้งนี้<笑><笑>เข้าใจยังทั้งนี้นั้นบางคำเนี่ยอันนี้มันมีคำหนักกว่านี้อีกนะแต่มาเอาแค่นี้ก็พอแล้ว น, นี่พยายามจ่ายพยายามคิดแล้วคิดอีกเนี่ยฮะทวนเลยใช่ไหมเข้าใจไงถึงบอกไงว่าคำคำพูดบางอย่างใช่ไหมยอย่างคำว่าเป็นอนัตตาเนี่ยยังต้องดูบุคคลเลยสมมติเไปพูดว่าอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหมดเสร็จเลยใช่ไหม แล้วก็กรณีที่เอา้าบาปบุญก็ไม่ใช่เราทําแล้วหมดเลยเงี้ยถามว่าในกรณีอย่างนี้ท่านกรณีที่ท่านพูดเนี่ยตัวนี้ต้องบ่งบอกบอกว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนั้นควรจะให้อะไรเขาศรัทธาที่ถูกต้องในพระธรรมคำสอนเป็นสิ่งที่ควรให้เพราะเขาเคยเฉดผลที่เขาจนอย่างนี้เพราะบาปอากุโสตกรรมที่เขาทํา เราไปแก้ไขเขาก็แค่ช่วยพักช่วยคู่เท่านั้นแหละไม่ได้ช่วยอะไรมากไปกว่า น, นั้นหรอกแต่สิ่งที่ความเห็นผิดที่มันฝังแน่นในกำมูลสันดานของเขาเนี่ยถ้ามันถอนออกไม่ได้ในเรื่องจริงๆเราช่วยกันไม่ไหวหรอกไม่มีทางไหวเลยแต่ถ้าหากว่าเราไปช่วยให้เขเกิดสมาทิฏฐิสิใช่ไหมก็เหมือนกับคนบางคนที่ก็บอกว่าเอาพอเกิดน้ําท่วมทีก็ไปช่วยกันที แต่การแก้ไขแบบป้องกันไม่ให้น้ําท่วมกับไม่ชิดอย่างเงี้ยป้องกันให้ศาตว์โลคนั้นนะพ้นจากวัฏจักับไม่ไม่พยายามมุ่งเน้นให้ให้ดำเนินกันกเอาจริงเอาจรังกต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี่อย่างเงี้ยแล้วถ้าคิดไปมันจริงอย่างท่านจริงๆก็เหมือนเราเพียรพยายามที่เอาเอาสิ่งที่มันสมมุติว่าคนคนนี้ก็เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วแก้ไขอย่างเงี้มันไม่หายจากโรคมะเร็งอย่างเด็ดขาดแน่นอน แต่สมุทฐานในการรักษาโรคมะเร็งมีอยู่เรากลับไม่ไม่ช่วยหยุดนั้นนี้อันนี้เหมือนกันวัตรทุกมันเป็นภัยมันเป็นโทษการช่วยคนพ้นจากทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่เร่งรีบควร ท, ทําก็ไม่ทำแล้วคนที่ยังมีความหวังที่จะรอตรงนี้มันเยอะคนที่ยังมีเชื้อปัญญาแห่งการที่